องคอ์งพระพูทีชินาราลูกใจจะขาดรอรอ หลวงพ่อดนใจเขามารักลูกต่อทุกวันเป่ารอใจเหงาบุญบารมีหลวงพ่อนี้เยืนยาลวลูกมาบนบานสันกล่าดวดนใจเขาวนคืนมาใหม่ ร่องกลานาครไทยพี่กูเมือสาวชมจำปาขาวต้นไม้ดอกใหญ่น้ำตกแก่งซองใช่ไหมที่ซองเราให้สัญญารักกันสาวเมืองซองแววรักแท้ไม่มีแปรเปลี่ยนวันเดือนปีถึงจะคลาดเคลื่อน ก็ไม่เลือมเลือนพี่นนรู้ไหมพี่จัาเส้าบ้านนาโศกสันหากแม้นใจพี่ของมันกลับมาบ้านรักการเมือ เที่ยว อ, อุทยานผู้เห็นร่องกลา้านะครไทยพี่กุมมือสาวชมจำป่าขาวต้นไม้ดอกใหญ่น้ำตกแก่งซองใช่ไหมที่ซองเราให้สัญญารา วันเดือนปีถึงจะคลาดเคลื่อนก็ไม่ลืมเลือนพี่นั้นรู้ไหมพี่จ้าสาวบ้านาโสมันหากเม้นใจพี่ของมันกลับมาบ้านรักการเมือ